ก็าญาติโยนทั้งหลายเวลานี้ก็ถึงเวลาในการแนะนำในการเจริญกรรมฐา น, นวันแรกความจริงการเจริญพระกรรมฐานถ้าหวังผลกันจริงๆนีมันก็ไม่ยากแต่ว่าก็ขึ้นกับกำลังใจโดยมากที่เราปฏิบัติกันมักจะดูหนังสือกันมากความจริงการดูหนังสือมากแต่เป็นของดี แต่ว่าพอดูลีลาหลายๆอย่างเข้าเลยไม่รู้เอาอย่างไหนดีวันนี้ก็อยากขอพูดแต่โดยย่อคือเอาจุดใดจุดหนึ่งาาาการเจริยพข้อกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก็เหมือนกันหมดนั่นคือว่าตอนแรกเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทไตรมัติระวังนิวรห้าประการคําว่านิวรห้าประการก็คือหนึ่งกามาฉันทะ มีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างพีง่แต่ความจริงนิวรห้าบริการที่เร า, เาชนะไม่ได้จะชนะได้ต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีก็ได้แค่สองขอ้อมันห้าขอ้อต่อไปเมื่อเป็นพระอรหันต์นั่นจริงจะชนะได้ทั้งห้าขอ้อ <c oughs> เมื่อเราชนะเรารู้ว่าเราเอาชนะไม่ได้ตลอดการก็ชนะเฉพาะเวลา ถ้าทำอย่างนี้ทุกคนจะเบาใจการที่เราจะเอาชนะดีวอนเฉพาะเวลาู่ลาจุดเล็กๆ เ, เวลาสั้นๆอย่างนี้ดีไม่หนักใจการปฏิบัติจริงๆเพื่อการชนะเขาต้องทำกันแบบนี้นี่วิธีที่เราจะชนะดีวอนระยะสั้นๆเราทำยังไงอันดับแรกก็พยายามกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก การรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกมีท้าเรียวาอานาปานสติเป็นกรรมฐานสําคัญในกรรมฐานสี่สิพื้นฐานใหญ่กรรมฐานจริงมีสี่สบกองและมีสี่สบข้อกองนี้เป็นกองที่มีความสําคัญมากทณะใดที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นทุกคนเพิงเข้าใจว่าเวลานั้นเรามีสมาธิ เพราะคำว่าสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งใจถ้าตั้งใจอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นเชื่อมีสมาธิแล้วคําว่าสมาธิไม่ใช่บรรหนาวน่จนทั้งไม่รู้อะไรเลยการที่ไม่รู้อะไรภายนอกแต่รู้ภายในนั่นคือกําลังใจโพลงอยู่สว่างอยู่ในเกิดการภายนอกยุงกินดิ้นกัดไม่รู้เรื่องเสียงดังไม่รู้เรื่องนั่นเป็นเรื่องของฌานสี่ ที่ยังไม่มีความจำเป็นอันดับแรกธ้าบันดาแต่นพุทธบริษัทจะควบคุมกำลังใจขั้นแค่คณิกาสมาธิก็ดีอุปจาระสมาธิก็ดีอย่างเก่งแค่ปฐมวิชัยก็ใช้ได้พอแล้วก็ถ้าคนที่มีสมาธิถึงปฐมวิชายอาการเป็นอย่างนี้คือว่าเสียงทุกอย่าง เราจะได้ยินทั้งหมดเสียงวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีคนคุยก็ดีคนทะเลาะ ก, กันสุนันกเห่านครอนอะไรทุกอย่างจะยินชัดชัดเจดนแจ่มใสตามเดิมแต่ว่าเวลานั้นเราไม่รําคาญในเสียงถ้าขณะใดที่ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกกขาตามเวลานั้นได้ยินเสียงทั้งหมดแต่ว่าเราไม่รําคาญในเสียง สามารถรู้ลมหายใจเข้าออกได้ภาวนาได้ตามปกติเวลานั้นจิตทังทุกคนได้เข้าถึงประตูมาชานเอาแค่นี้พอแล้วกรโรงความอันดับแรกที่เราจะเข้าไประงับอารมณ์ของจิตก็แคอานาปานุสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็ควรจะปุ่มใจขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอยู่เวลานั้นจิตสมาธิ จะได้ในเวลานานนั้นในเวลาเร็วก็ไม่มีความสำคัญแล้วก็เป็นธรรมดาของจิตเพราะจิตของเราครบที่วรนมาไปอาสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้จิตห่างจากนิวรแยกจากนิวรณทันทีใดย่อมเป็นไปไม่ได้นิวร์ที่มีความสำคัญดับแรกก็คืออุตจักุกจักที่ได้จะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านดำคาน ถ้าเราจะบังคับให้รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกมันจะได้ชั่วขณะเดียวว่าเดี๋ยวหนึ่งจิตก็เผลอไปคิดอย่างอื่นคํามาแทรกอารมณ์ที่คิดอย่างอื่นนอกจากรู้ลมให้ใจเข้าออกอย่างนี้เป็นอารมณ์ฟุ้งซ่านมันก็เป็นของธรรมดาเขาบุคคลผู้ฝุกความจริงอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราก็ไม่สามารถจะบังคับมันได้ตลอดการตลอดสมัยแม้แต่พระธรัตมมรยังมีอุทจร ม, รมีอารมณ์ฟุ้งซ่าน จะไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆคือว่าแต่ผลดังนั้นถ้าอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นกับญาติโยมพุทธบริษัตวก็จงอย่าตำหนิตัวเองวันเลวเถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเมื่อวันฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไม่รู้ไม่ไม่ตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกถ้าเรารู้ตัวว่าเวลานี้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเสแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าออกใหม่ ก็ต้องสลับกันแบบนี้เรื่องการภาวนาการเจริญกรรมาฐานส่วนใหญ่ให้มีการภาวนาด้วยการภาวนานี่ก็มีความสําคัญในตอนต้นจะถือว่าภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ค <c oughs> ือการฝึกตอนต้นยังไม่เข้าไปจํากองถ้าไปตอนกลางถ้าเจริญกรรมฐานไปายางกองนี่ต้องภาวนาจํากัดกองเข้ากองคํงงงงงาคําฐานนั่นๆ แต่ว่าในตอนต้นนี่เขาให้เข้าใช้กรรมฐานคือพุทธานุสติก่อนแต่บทภาวนานียญาติโยมพุทธบริษัททุกคนโปรดทราบว่าที่นี่ไม่จำกัดท่านจะเผยภาวนายังไงมาคล่องตัวไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจก็ออกดีย่อมมีผลเสมอกันถ้าเปล่นเข้าจะเป็นการขึ้นต้นใหม่ย้อนถอยหลังไม่ดีว่าเรื่อยไปตามเดิม ถ้าญาติโยมที่ไม่ถนัดอย่างอื่นมาก่อนหรือไม่เคยทำให้ใช้คำนามว่าพุทโธพุทโธนี่เป็นพุทธานุสติกรมธานคือนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทให้ใจออกในวัโธอันนี้ตอนต้นๆไม่ต้องทำอะไรมากคือยังไม่ต้องจับภาพพระรูปยังไม่ต้องนึกถึงภาพพระรูปเพิ่งจะบุ่นวายไป ถ้ากำลังจิตชินมีการทรงตัวดีตามสมควรหลังจากนั้นเมื่อจิตทรงตัวได้พอควรก็ให้บรรดาญาโยมพู้โดยสารนึกถึงพระพุทธรู ป, ปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบพระพุทธรูปมีมากท่านชอบองค์ไหนได้ทั้งหมดให้นึกถึงองค์นั้นไปสําคัญแล้วให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกโนโทโนึกถึงภาพพรพุทธรูปไปด้วยการนึกถึงภาพพระพุทธรูปโดยเป็นการศีลสองอย่าง คือเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นเกสินด้วยที่ว่าเป็นกรรฐานสองอย่างไม่ใช่เกษินสองอย่างเป็นพุทธานุสติด้วยเป็นเป็นเกสินด้วยถ้าขณะนั้นท่านนึกถึงพระพุทธรูปหรือพระเจ้าเวลานั้นเป็นพุทธานุสติถ้ามีความรู้สึกว่าพระรูปองค์นั้นเป็นสีเหลืองเป็นปีติกากษินพระรูปองค์นั้นเป็นสีขาวเป็นอาโลกสิน ถ้าพระรูปออนั้นเป็นสีเขียวเป็ น, นีแต่กระสินอย่างนี้เป็นต้นถ้าพระพุทธรูปแก้วเป็นอาโลเป็นโอทาแตกะสินครวงความการเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นกสินเวลานั้นก็เป็นว่ากายเริงกรรมฐานสามกล่องรวมกันหนึ่งอนาปาโนสติสองพุท ธ, ธานุสติสามกสินถ้าเอาพุท ธ, ธานุสติอย่างเดียวนึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวอย่างนี้ การสมาธิของทุกคนจะได้เพียงอุปจารสมาธิหรือว่าต่ถมชัชชนเป็นอย่างสูงถ้าจับภาพวตรูปด้วยอย่างนี้จะเข้าถึงถึงฐานสีที่สุดของกรรมฐ า, านกองนี้ถึงถึงฐานสีกระมความเอาแค่ต้นต้ น, ตนว่าจับภาพวตรูปได้บ้างไม่ได้บ้างตามธรรมดาเป็นความจริงอนึกถึงภาพวัตรูปนี่ดีเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเพราะก็ศสินเป็นกระป็นการปฏิบัติง่าย กาสินเป็นกรรมฐานหยาบเป็นเหตุให้จิตเป็นสมาธิหรือเข้าฌานถึงฌานได้ง่ายรดับแรกนะ้ะหนึ่งให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกไม่ว่าโรถ้าประเอรบาขนขณะถ้าภาวนาด้วยเกิดราําคาญก็มีเหมือนกันเกิดราําคาญถ้าภาวนาด้วยมีไอจินอารมณ์จิตฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่เอาพุทโธไม่เอาแล้วเลิกกันเอาแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกก่อน หายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกจะเรียว่าเป็นนาปานุสติถ้าถามว่าถ้าจิตมรารังคาญเวลาที่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุโทโธเอาแค่รู้ลมหายใจเขาออกจะเป็นบุญไหมก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานอานาปานุสติเป็นกรรมฐานใหญ่มากคุมกรรมฐานอีกสามสบเก้ากอเป็นแม่บาทเลยก็ต้องตอบว่ามีบุญหนะัก ถ้าขณะใดท him ี där. ่ร <cargo alter ation> you know so ู original, ้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นจิตของทุกคนว่างจากกิเลสการเจริญกรรมฐานเต้องการอย่างเดียวคือฝึกจิตให้ว่างจากกิเลสถ้าจิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นไม่นึกถึงอะไรเลยนึกถึงลมอย่างเดียวเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสถ้าบังเอิญเราสามารถทาจิตว่างจากกิเลสสัก วินาทีสองสามวนาทีก็ตามจิตฟุ้งช่านใหม่ทีก่ก็คิดนอนคิดนี่ไปแล้วต่อไปไม่รู้สึกตัวก็จับอนาปานุติใหม่จับลมใจเขาออกใหม่หายใจเข้ารู้อยูใ่ใจออกรู้อยู่จิตว่างใจเด่นประเดี๋ยวจิตจะคิดต่อไปอีกคิดเรื่องเข้ามาอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไหมก็ต้องขอตอบตามที่พระพุทธเจ้าสนใจ ก, กับภาษารีบุตร ที่พระพุทธเจ้าตัดว่าผีสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดสามารถทําจิตให้ว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวเราถือว่าบุคคลนั้นผู้วีจิตไม่ว่างจากฌานจะไม่ดีนะมี่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าสารีปุตตะดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งมันแป๊บเดียว เราขอกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากชานอันนี้พระเจ้าสรรเสริญขนาดนี้นะก็เป็นเรื่องพวกคุยกันว่าถ้ามีจิตเป็นขณิกาสมาธิอย่างนี้ท่าเรียกว่าขณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยคนที่มีกําลังจิตเป็นขณิกาสมาธิจะเจริญวิปัสสนาญาณได้ไหมจดจดิตจะจุดจบของการเจริญกรรมฐานอยู่ที่วิปัสสนาญาณ <c oughs> ขณะที่ทรงสมาธิเป็นสมถะภาวนาก็ดีทรงสิลก็ดีนี่เป็นตอนต้นเป็นการฝึกกำลังใจให้มีจิตทรงตัวได้จะาถามว่าถ้าเราจะปฏิบัติเฉพาะวิปัสสนาญาณอย่างเดียวได้ไหมก็ขอตอบว่าเจงก็อ ะ, อะไรไหมคำว่าเจงคือไม่ได้อะไรเลยบ้านทุกหลังจะต้องมีเสาจะต้องมีคานชั้นใดกรรมฐานก็นเหมือนกันจะต้องมีศินต้องมีสมาธิ ถ้าขาดชินที่อย่างเดียวสมาธิไม่มีการเกิดถ้าขาดสมาธิแะตัปัญญาวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดเหมือนกันก็ทุกคนต้องเข้าใจตามนี้ตอนนี้มาว่ากันถึงว่าถ้าเรามีสมาธิเล็กน้อยแค่ประเดี๋ยวเดียวจิตกระ่วงสั้นถ้าเราจะเจริญ ว, วิปัสสนาญาณจะได้ผลไหมก็ขอนําเอาเรื่องเก่าที่เคยเล่าให้ฟังม า, มาเล่าสู่กันฟัง ว่าท่านเองมีกําลังใจแค่คณิกาสมาธิอันนี้ว่ากัตรงนี้ผ่านเลยนะพระอยอดารเจริญกรรมฐานคือพระติดสะพระติดสะนี่เกิดในบทในสมัยพุทธเจ้าแต่ว่าพอบทแล้ว น, นะถ้ามีความเลื่อมใสในพระเจ้าแต่ว่าบทแล้วไมนะ่นานก็ปรากฏว่าป่วยเป็นโรคตุ่มตุ่มเล็กๆมีตุ่มเล็กๆ เ, เ, เ, เกิดตามตัวทั่วตัว ต่อมาตุ่มเล็กๆ ก, ก็ค่อยโตเทียนน้อยเดน้อยเดืนอดน้อยจนทั้งถึงผลส้มพอเท่าผลส้มก็ปรากฏว่าแตกเป็นน้ำเหลืองน้ำเหลืองไหลทั่วตัวพอแตกเป็นน้ำเหลืองไหลทั่วตัวแล้วก็ปรากฏว่าท่ากระลุกไม่ขึ้นพระที่ปฏิบัติก็ไม่สามารถปฏิบัติต่อไปได้ไอหนูนี่จะไปไหนวะฮะยังคจะฟังอะไรกันฮะ ทำไมเดินล้มล่างพระยูฟังอะไรกันนะทั้งตัวเจ็บทั้งตัวเนี่ยก็ดูออตแตกหมดก็ลุกไม่ขึ้นน้ำเหลืองไอ้ตุ่มๆก็แตกนต้ำเหลืองไหลทั้งตัวต่อมาพระปฏิบัติอยู่ถ้าไม่ไหวก็ต่างคนต่างทิ้ง ก็บังเอิญวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาเช้ามดืดทรงตัวภายในสัยของสัตว์ก็เป็นว่าพระติดสะตกอยู่ในข่ายพยานทรงทราบว่าวันนี้ติดสะวันลุกขึ้นนี้ติดสะจะเป็นพระหันพร้อมไปสมมิธายานแล้วก็เมื่อได้เป็นพรหันแล้วก็จะนิพพานพาเพราะกันปนะ่วยนักตอนเช้าพระเจ้ามาฉันเสร็จ ก็อนเขาเด็ด จ, จากที่ประทับเดินเรื่อยเข้ามาถึงกุฏิพระติสสะท่านก็นแวะเข้าไปพระที่นั่งอยู่ทั้งหมดก็ไม่ทราบพระจะจะไปไหนเมื่อแวะเข้าไปแล้วท่านเห็นพระติสสะนอนสมลุกไปขึ้นกระดูกก็แตกทั้งตัวนอนสมแบบนั้นท่านก็นเข้าไปเห็นน้ําเหลืองมันไหลทั่วตัวผ้าก็เพื่อนน้ำเหลืองทา่านาก็เปื้อนผ้าออก ตั้งใจจะเอาไปต้มพอดีพระเข้ ม, มาบอกว่าการต้มผ้าผ้ า, ผ, าผ้าที่เพื่อนนาเหลืองข้าพเจ้าทําเองพระก็เริ่มติดไฟต้มพระพุทธเจ้าก็ทรงเอาผ้าผ้าเล็กๆไปจุ่มน้ําร้อนให้เขาให้พระอุ่นพอดีพอดีแล้วก็มาเช็ดตัวพระติดสะเช็ดตัวจะต้องนําเหลืองทั้งหมดแข้งจากตัวหมดไปจากตัวแล้เรี้ยงจากตัวพระติดสะก็มีอารมณ์โปร เวลานั้นพระที่อาผ้าไปต้มเท่าต้มแล้วสะอาดแล้วก็สะตากแห้งเสร็จก็มาให้พอดีเจ้าก็ช่วยให้พระติสระนง่งห่มถ้าลุกไม่ไหวแล้วกระดูกแตกทั้งตัวเมืพระติสระมีอรมณ์โผงน้นําเหลืองแห้งพมื่อน้นก็อาศัยที่พระเจ้าเมตตาแบบนั้นก็มีจิตเรื่มใจมีปีติเกิดขึ้นพระเจ้า จ, าจึงตรัสว่าติสระอาจิรังวะตยังกายโยเป็นต้นบาลีก็ว่าแค่นี้นะ พูดไปนานๆจะลมคำคันว่าจะดังวัตย์ยังกายโยร่างกายของเธอนี้อีกไม่ช้าแล้วจะมีวิญญาณไปปลัดแล้วก็หมายความว่าจะตายจะมีวิญ ญ, ญ, ญาณออกจากร่างในเมื่อวิญ ญ, ญ, ญาณออกจากร่างแล้วร่างกายนี้ก็เป็นวัตถุธาตุที่ชาบ้านขเขาทอดทิ้งให้ลกคนตายมืงใครต้องการเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ความจริงปฏิสัมษไม่เคยได้ฌานสมาบัติ เมื่ออาศัยมีธรรมปีติความปลื้มใจในพระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์อย่างหนึ่งในประการหนึ่งพ่ออาศัยบุญเก่าเข้าสนองท่านรับฟังเทศอย่างย่ อ, ยอๆเพียงเท่านี้พอพระพุทธเจ้าเทศจบพระติดสารกรเปวนสารพร้อมใบชมิทายานและก่อนนิพพานในขณะนั้น ให้อย่าลืมนว่าคณ้การสมาธิมันสามารถเป็นอรหันต์ได้ทุกนะเขาจะได้ว่าทำไม่นานนักใช้กําลังตามนี้นะเพราะว่าการที่พระเจ้าเท่ข้อนี้ถือว่าเป็นเวทนาญาณที่บุคคลญาติโยมไหนคนรจะนำมาไปใช้ว่าจีรังวัตยังไกโย ο, บาลีไม่ต้องจําก็ได้ที่เขาป้าสกุลเป็นเวลาพระเป้าสกุลเป็นเที่ยวว่าบทนี้ไม่ต้องจำบาลีหโยมนะ ว่าร่างกายนี้ในไม่ช้าจะมีวิญญาณไปปัดแล้วคือวิญญาณจะออกจากร่างในเมื่อวิญญาณออกจากร่างของเราผู้ภาษาไทยเขา้าใจชัดร่างกายนี้ก็เหมือนกับเป็นวัตถุที่ชาบ้านเขาต้องทอดทิ้งไม่มีใครประทนาเหมือนกับทอนไม้ที่ไร้ประโยชน์คิดอย่างนี้ก็ได้แล้วคิดต่อไปว่าร่างกายนี้มันไม่พ้นจากความตายแน่ยังไงไงก็ต้องตาย แล้วก็มองไปดูสภาพของคนอื่นทีเขาตายขณะที่อยู่ก็มีความรักมีความปรารถนาซึ่งกันและกันแต่อพอตายแล้วทุกคนต่างคนต่างตั้งใจรังเกียจมันก็เป็นที่น่ารังเกียจของคนเพราะว่าระบบอวัยวะต่างๆมันไม่สามารถทํางานปกป้องได้เกี่ยวกัสิ่งที่เป็นน้ําเหลืองน้ําหนองเลื่อยก็ตามที่มีในร่างกายถ้าชีวิตยังทรงอยู่มันสามารถจะปิดจะกั้นไว้ได้ทวารไม่เปิด แต่ ว, ว่าพอตายแล้วเอาไว้วัดต่างๆมันก็ไม่ทํางานมันก็ไม่ปิดน้าเหลืองก็ไหลออกมาน้าเลือดก็ไหลออกมาตน้ตนๆโครงความว่าเกิดความสปกปรกโสโครกเปลว่าร่างกายของเขาฉันใดร่างกายของเราก็ฉันนั้นโครงความว่าท่าการเกิดยังมีเพียงอย่างนี้เพียงใดการที่จิตร่างกายจะต้องปราทจากวิญ ญ, ญาณก็ต้องมีไม่กันอย่างนี้ถ้าเราก็ต้องทุกข์แบบนี้เราเราคิดเอาเองนะ แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าคิดเอาตามความจริงที่พระเจ้าท่างเทศทำมายาวว่าจิตสะอีกไม่นานนักร่างกายร่างกายที่จะมีวิญญาณไปปราดแล้วจะเป็นวัตถุธาตุดีบุคคลพึงทิ้งเหมือนก็ท่อนไม้ที่ไรประโยชน์เกียงท่านพูดเพียงเท่านี้พระติตสัเบรันพร้อมไปชมิทายานีท่ทั้งๆที่มีสมาธิป็ขนขณะสมาธิเสมาธิเล็กน้อย <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบ ก็ปลายกขงพระติดสาก็ตายเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นบุตรชนก็จะไม่ทราบว่าพระติดสับไปไหนแต่พระอริยะเจ้าที่ได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปท่านทราบวิชาสามก็ดีพัญญาหก็ดีเป็นเทาียนธาญานก็ดีอย่างนี้สามารถติดตามจิตของคนได้คนที่ตายไปแล้วก็ดีสัตว์ที่ตายไปแล้วก็ตามจะไปพระติดยุตไหนพระอริยะขนาดนี้ท่านสา ม, มารถรู้ได้ทันทีทันใดไม่ต้องนั่งหลับตา <c oughs> เห็นภาพต้องการภาพรู้ได้ทันทีแต่แต่ตว่าเวลานั้นพระที่เป็นปุถิชนก็มีมากพระที่เป็นปุถิชนยังกราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าพันเตภะกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพ า, าพเจ้าพระเจริญพระผู้เดียวขาดเวลานี้พระติดสะตายแล้วอยากจะทราบว่าพระติดสะไปอยู่ที่ไหนอันนี้สมเด็จพระจอมไตรยีได้มีพระพุทธติการัดว่าพิกเวดูก่อนมีสุทธังหลาย เวลานี้พระติสสะไปนิพพานแล้วพระก็เลยถามว่าพระติสสะเป็นอรหันต์เมื่อไรพุทธเจ้าครับ <c oughs> เป็นพระอรหันต์เมื่อไรพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าบอกว่าติสสะเป็นอรหันต์พร้อมไปสมิทายาน <c oughs> เมื่อตาถาคตพูดจบ <c oughs> เวลานี้เธอับไปนิพพานพระก็ถามกฎของกรรมถามว่าพระพุทธเจ้าว่าพระติสสะ ไปนีพผ่านได้โดยง่ายเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุเพราะเจตท่พูดในชาตินี้รับปฏิสัมยังไม่เคยบำเพ็ญทานกองการกรุศลในพุทธศาสน า, mm hmm. าเพราะว่าพบพระพุทธเจ้าวันแรกฟังเทศพุทธเจ้าจบเดียวมีความเรื่องใส mm hmm. ก็ถอถวายตัวเพื่อบวชแล้วก็บวชแลก็ยังไม่ได้ทำบุญอะไรไม่ได <c oughs> ้นนฟังเทศกันเดียว พระพระเจ้าจึงได้ตัดว่าพิกวีดูก่อนวิสุทธ์นหลายที่ติดสะไปเป็นอาหารได้เพราะสายกรรมเก่าเพราว่าในสมัยพระเจ้าเขาวนาว่าพุทธกรสบเวลานั้นติดสะเป็นคนยิงนกขายไม่จำไม่ดีนะญาโยมที่วันนี้ก็ถามหลายคนที่ต้องตั้งร้านอาหารวันก็เรีว่าทําปานาปฏิบัติโดยทางออบแต่ความยริงก็ไม่ออบไม่ชนเลย <c oughs> ถ้าสั่งซื้อปลาอะไรก็วันนั้นเราสั่งซื้อเนื้อไม่แน่ใช่ไหมสั่งซื้อเนื้อจะถือว่าบาปยังไม่บาปเพราะเราไม่แจ้ไม่สั่งให้เขาค่าจะสั่งซื้อปลาท네เราต้องนาํามาค้านี่มันชนแน่ก็ฟังเรื่องพระวติสาสตไว้ว่าใน jeans, สมัยนั้นประติศสะเป็นคนยิงนกขายบางวันถ้าได้มามากขายวันนี้ไม่หมดขั้นจะย่างแค่วันนี้ขายวันพรุ น, นี้ราคาก็ถูก จะเก็บไว้เป็นๆจะปล่อยไว้ตามธรรมดาก็เกรงว่านกจะบินหนียิ่งหักกระดูกแข้งเสือบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้อง ก, นกันนกวิ่งหนีเพราะการหักกระดูกแข้งต้องป้องกันนกบินหนีเพราะหักกระดูกปีกอาศัยที่กฎข้งกรรมแบบนี้ท่านติดสะเกิดมาชาตินี้ที่กระดูกต้องแตกทั้งตัวเพราะหักกระดูกนก ที่เป็นเรื่องผุ้องทั้งร่างกายก็เรื่องผู้องแตกเป็นน้าเหลืองทั้งตัวเป็นแผลทั้งตัวก็เพราะอาศัยที่ฆ่านกนี่เป็นกฎของกรรมเก่านะแต่พระเจ้าก็ถามตัดตอบไปว่าพิกเวดูกนพิษน้อยแต่ว่าที่ว่าติดสะปพิพานได้โดยฉับพลันเพราะว่าในสมัยที่กําลังฆ่านกขายนั่นเองในสมัยนั้นขนาดนั้น วันหนึ่งปรากฏว่ามีพระอรหันต์ไปบธณฑบาต ท, ที่นั่นไปองค์เดียวความจริงท่านติดสระท่านจะไม่รู้พระออนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะพระนี้ไม่มีอิธโนไม่มีบ้างเห็นไหมควจริงมีบ้างพอดีเหมะนะือนน่ะมีบ้างไม่ใช่อรหันติดโลกคือว่าพระก็ท่านจะไปองค์เดียวแต่ว่าท่านติสระมีความรู้สึกว่าเรานี่ทาบาปทุกวันเราไม่เคยได้ทําบุญเลยวันนี้พระมาโปรดถึงหน้าบ้าน เราควรจะทำบนบ้างก็ไปนิมนต์พระให้ท่านเข้ามาในบ้านสั่งให้แม่บ้านเอาอนุกทำอาหารให้ดีที่สุดเท่าที่คงดีได้เมื่อแม่บ้านทําเสร็จเขาข้าวใส่บาตรเอากับข้าวหอ่อข่อแกงหอกับตามที่ทําได้แล้วใส่ในบาตรพรเมื่อเต็มแล้วพื้นที่พอใจก็ต้องกราเกล้าพระท่านท่านกับไปไประชันที่วัดของท่า น, านพระพุทธเจา้าบอกว่าเพราะอาศัยผลของทานในการก่อน ที่ตั้นติดสะเป็นพรายฆ่านกและก็ได้ถวายทานกับพระอรหันต์เพียงไบบาทเดียวครั้งเดียวในชีนวิตไม่ทำอีกแต่ผลของทานนี้บรรดาให้ติดสะเป็นอ ร, า ห, ารหันต์ในชาตินี้โดยสำคัญกระมวความว่าการเจริญกรรมฐานก็บรรด า, าท่านพุทธบริษัทก็จงอย่าไปเร่งรัดสมาธิมากเกินไป ก็เร่งรัสมาธิว่าวันนี้ต้องการชันหนึ่งพรุ่งนี้ต้องการชันสองต่อไปต้องการชันสามต้องการชันสีวันนี้ต้องการชันนั้นชนี้ถ้ามีความต้องการอย่างนั้นจิตจะไม่เข้าถึงฌานเลยเพราะว่าจิตมีลมพุ่งซ่านการเจริญกรรมาฐานต้องการอย่างเดียวคือรมเป็นสุขฉะนั้นขอพรรดาญาโยมพระสสัชจงอย่าคิดว่าวันนี้จะต้องการชันอะไร ตั้งใจเพียงว่าขนานี้เรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าภาวนาแล้วก็ภาวนาด้วยขนานี้เราภาวนาสมมุติวาภาวนาพุฒโภูหายใจเข้านึกตามว่าพุหูหายใจออกนึกตามว่าโธแต่ภาวนา น, นี้ไม่จํากัดนะตอนที่ถ้าภาวนาไปได้เล็กน้อยแล้วก่อนภาวนาเรายาเจริญพิปสนาญานก็เริ่มต้นเอาแบบง่ายๆพิปสนายานอ่อนๆที่ก็ไม่อ่อนนักนะ นั่นคือนิจังทุกขังอนัตตาอ น, น, นิจังทุกขังอนัตตานีเจ้าว่าอ่อนก็อ่อนเจ้ว่าเข้มแข็งก็เข้มแข็งว่าสามาร ถ, ถนิพพานได้ถ้าจะว่าอ่อนก็แปรล์คิดง่ายๆในตอนต้นคืออนิจังเรีกว่าเรื่องเรืงความตามความเป็นจริงเอาเราไม่ต้องเอาใครเพระร่างกายของเรานี้มันเป็นอนิจังมีสภาพไม่เที่ยงเกิดจากความเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนวัยกลางคนแล้วก็เป็นคนแก่ ในความไม่เที่ยงของร่างกายมีเพราะเวลานี้เราอีกความอิ่มอยู่ปรเดี๋ยวเดียวก็สลายตัวไปเดี๋ยวก็หิวแเนื่องความหิวเกิดขึ้นมันก็ไปใชยนิจังแต่เ ด, ยเดียวเป็นทุกขังความทุกข์เกิดขึ้นถ้าต่อไปเรากินกินอิ่มแล้วอิ่มไม่นานความอิ่มสลายตัวไปก็แปรนาตากรงความอาการทรงกายแบบนี้หนึ่งมีแต่ความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนสองร่างกายเต็มได้วยความทุกข์ สามร่างกายเป็นหน้าตาคือเมื่การสลายตัวถ้าเราจะเกิดอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยกี่ใช่ก็ตามก็สภาพอย่างนี้ก็ปรากฏเราก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ความสุขจริงๆที่จะมีกับเราได้คือนิพพานคนที่จะไปนิพพานขั้นแรกตอนทำอะไรบ้างเอามุมแรกจริงๆหนึ่งใส่ากายดิติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายเนี่ยลืมไม่ได้ รายการในสองวิจิตรฉาเราจะไม่สงสัยในพระเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จะยอมรับตังถีด้วยปัญญารายการในสามศีลัฏิัติปรามาสจะทรงสิ้นให้บริสุทธิ์ถ้าทําอย่างนี้ได้ทุกคนบรรดาพระพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือว่าทุกท่านเข้าถึงมุมแรกของพันธิพัณฑ์แล้วคือมระโสดาบันเราบรรดาญาโยมพุทธไวสัต์ทุกท่านหมดเวลาพอดีขอทุกท่านหันหน้าทางพุทธลูกตั้งใจสมาทานสีนสมาทานกรรมฐ า, าน